อันรมยังกรรมฐานังก่อมาเส่งข้าพเจ้าจะเจริญพระธรรมทานภาวนาบูชาคุณพระราสนาใหอุดมขามสมพระสัมมาอริยธรรมความเป็นอิทธิบาททั้งสี ผมอินทร์ให้แกโดยกันสังหานิวรธาให้ใหายคืในใจตกวิจารปิติศรีรวมสุขเองรัตาังต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีธห้า เจริญมากาบิยสมังคีลานุริกิเลขัยสุนอดมูลอาสวะอนุใสอาภัยสร้างโยธัรมปวงล้วนถึงประโยชน์ยิ่งใหญขอคุณภารตะนาใจคุณไทยราเทวั คุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการโงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบันเทิทุกรอยให้เหลือทหายทำลายมารหน้าให้พินาศราษฎรพยันตลายนัน เตมทันประสบสิ่งมใจสมดังมุ่งหมายนาตายลบากนี้เองระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะลึกถึงพระธรรมจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจ และลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนักเกี่ยงอื่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิข้าขวาทับข่า้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกรงจอมนงสติให้มัน เมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทาความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิไว้แล้วทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานเมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะเพราะเราทำองค์พระแลทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้น เมื่อใจนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้น <c oughs> ปัจจตังเห็นจำเพาะตนเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่า ทำใจเป็นกลางพุทธลมหายใจเข้ากำหนดรู้โทนในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำความรู้อยู่ทุกขณะทำใจให้สบายสบายทำกายให้เบาวบาวทำใจให้เบาเบา จิตนี้เข้าผวังแล้วอย่างหนึ่งจะสว่างขึ้นอย่งหนึ่งจิตนี้เข้าพวังสบายกายสบายใจไม่สว่างแต่สบายกายสบายใจเพึ่งรู้ว่าจิตนี้มีสมาธิแล้วําใจให้สบายสบายใจสงบก็รู้ ใจไม่สงบก็รู้เมื่อใจสงบก็รู้พึงรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นเราแล้วสมติสมัติธรระความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่ติธรรญะความรู้ตัวอยู่พึงรู้ว่าว่าจิตนี้สงบแล้วก็รู้จิตนี้ยังไม่สงบก็รู้ พยายามทำความรู้เห็นให้มากขึ้นทั้งรู้ท้งเห็นนั่นแหละปัญญาก็จะเกิดได้ทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกกาหนดรู้มีสติ ในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกทำให้สบายมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกมีติในลมหายใจเข้าวีติในลมหายใจออก ทาไม่มีปีติอยู่ทุกขณะทานี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้กับพราะลมเท่าลมไม่เข้าหมายออกเราก็จะต้องตายถทาหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิ ถ้าลมไม่เข้าและลมไม่ออกในสมาธิเจริญขึ้นกับปฏิบัติก็จะกระัสโรได้ดีหลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบายใจยิ่งที่สุดจงสมาธิ ทำให้สบายใจทำให้สบายกายทำให้ปีติเกิดให้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจา้าและพระธรรมเจา้ารละลึกพระสงฆพระเจา้าให้มีปีติเสืส่อมศาสังฆาแล้วปีตินี้จะได้มีขึ้นกับกายใจของเรา เราทำสมาธิตามแนวทางยุคโคนบาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงเจ้าละลึกให้มีปีติให้มีความเอิบออิ่มยินดีขึ้นธรรมะ ก็จะเจริญขึ้นกับ น, น, นักปฏิบัติถ้ามีการความม่วงเงาองนอนขึ้นในเรียกว่าในวนห้าแล้วจึงลุกขึ้นยืนอยู่แล้วเดินจงกรมเดินให้หายง่วงธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดิน กายก็จะเบาขึ ja in, ông, ad, ung ung. ้นใจก็จะเบาขึ้นกําลังเดินจมกลมสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทําให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจงกลมให้กระสือทําได้ทํำพละกายเบาใจเบาก็พิ่งรู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขณบักปฏิบัติ บางครั้งพระจิตเข้าสมาธิแล้วยังมีสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวถึงว่าให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วและพ ย, พยายามทำใจไว้ดีทำให้ปีปีติททำใจภาวนามองดูที่เส้นผม อยู่บนเกศผมมองดูผมผมให้ให้มากขึ้นปีติจะได้เกิดใจทัาตาหมองมองดูที่เกศผมมองดูที่สายซอยทำความรู้เห็น ที่ที่ถอยถาเรานั่งกรรมฐ า, านทำมองดูรูปนั่งให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจมองดูที่ถอยๆอยดูกกงหูส่งข้าง ทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นวางหูของเราที่ถอยๆทาให้ปรากฏทํางใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกลองหน้าหัวอกของเราหัวใจ อยู่ในภายในเราต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อใดฝึกสมาธิอยู่ผู้นั้นจะกระสัรู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจนึกว่าเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณนาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิ ป, ปิบูชาพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเท่าไรยิ่งดีทำใจให้เบิกบานทำสมาธิ ริงจะรู้ความเป็นจริงได้หลับตาให้มันนั่นนะหลับหลุนมลุ่มถ้าหลับนั่นเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีมันมันใช้มองใช้มองดูในกายทำดูหมองดูนอกกายผม ขนเล็บวันหนังนี้วหรอกกายในกายก็วันเส้นเอ็นกระดูกตับปอด มองไทยถอยก็ได้แล้วดูคอต่อที่คอเราก็ได้ก็ดูก็ดูสลับล่งเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าจิตเข้าผวาวย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าผวัง จะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เร็วกว่าปีติสมาธิหับ น, นี้การง่วงเหงาพนอนก็ลืมตาลืมตาดูดูตัวเองแล้วดูสักกระเดียวแล้วก็หลับตาคนใหม่มีความวง่วงขึ้นก็ลืมตาสักกระเดียวแล้วก็หลับตาใหม่ พหลับตานี่จะเห็นใกล้ลลมตานี่จะเห็นไกลเพราะยังงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างหลมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับเพราะสมาธิจะเกิดความง่วงเงาเข้าครอบงำเราก็ใช้หลมตาสักเดี๋ยว พอใจมนเบิกบานเราก็หลับ้าเป็นใหม่วิธีนี้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำตามหรือจะไปอยู่ที่บ้านเราก็จะทำที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปและเราก็จะได้มีความรู้จะได้มีความเพียขึ้น เราต้องมีเพียงมีมันจึงจะมีความสุขได้ต้องทำใจให้เบิกบานคูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เบิกบานดูเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเลืงตาเราดูให้นา น, าน เราอยาตาให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้หรือความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลลมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะได้เกิดปิติ้นเมื่อมีปิติสมาธิกายจะเบา ใจก็บา่าผู้ปฏิบัติถึงจะมีศรัทธาถ้าให้งานไม่มีศรัทธาเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญจะเท่าไรเท่าไรก็ไม่บุญก็ไม่เกิดุลสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทำเกิดปัญญาได้ ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นจะไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธามันที่แรงกล้าขึ้นมาได้จึงเรืองทีนี้เมื่อปีติสมาธิมันเกิดยังแรงกล้าความศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิ เดินชาชาเดินให้ได้ปัจจุบันพุทธโทพุทธโทให้ยกเหยียบยกเหยียบให้ได้ปัจจุบันทีนี้เมื่อเรบางคนจะเดินมีสมาธิเปรตสมาธิกำลังเดินจุกริกอยู่ กายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกลมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสมรจถะให้มากขึ้นก็สามารถจะกัสรูกำลังเดินจุกลมก็ได้ในปฏิปทานสี่เนี่ยขอให้ญาติโยมเราทําให้สมบูรณ์ในปฏิปทานสี่บาง คนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนั ก, ก็จะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้ให้งงนอนทั้งๆมีสตากิขิขึ้นนําลกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้นความง่งเหง า, นานก็แม้มาบีบคันเราได้ตัวง่วงเหอนอนเ น, นี่ยมันบีบคันไม่สมาธิเกิดได้ ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความงงเงาไ่ไหมละงงเงาหนอนหรือฟุง้งซ่านทําให้ร ล, ลึกชาติไม่ได้การหลับปลืมหลับลืม ย, ยบย่อยๆความรัศวังขึ้นแล้วก็ปีติจะเกิดได้เพราะเราหลับตา บ, าบา่อยๆลืม บ, บ่อยๆทําให้ใจบกบางได้ ทำให้งานมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตนี้พอเข้าผวัาวางแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วที่นี้มนก็จิตนี้ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะจะมีเพียรมีมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้ เข้าถึงโล ก, กุตระทำได้เพราะจิตถูกอวิชาชาฉาบถาจิตจิตนี่เลยไม่รู้อะไรจิตนี่เลยโง่ทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรูปปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อมีปีติ ทางในหลใหายใจเข้ามีปิติในหลใหายใจออกทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีคือขึ้นคือผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้รู้ทาให้ทาที่พระองค์แนะนำเรา พระองค์ใดแนข้าะเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจับกายสิงเท่าจิตจะมีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไหวจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความเลื่อมใสก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอก ใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองดูว่างคิ้วดูวางคิว้ววางคิว้วไม่เป็นนิโรธรจัจจ์ถึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจ้าของให้เห็น เนาศรัทธาจึงจะเกิดได้นมยังลอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดูที่ใบหน้าของเราแล้วที่หลังมันจะจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็จะทำท า, าบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอน เราก็แชนมองที่ใบหน้าเลยวางคิว้วมองดูให้กรงลูกตาให้กรงลูกตาเจาองมเช่นเราหายใจไม่ค่อยชัดเราทำใจให้หายใจ y au y au. ายาวๆให้ใจยาวๆแล้วยาวๆเราก็ใช่ตาตามองมองดูที่หลงเข้าทางตาโม ลมออกช่องตมมหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็มแล้วเมื่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้วสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นกณนักปฏิบัติ ใจมันก็จะเบิกบานได้จึงจะเรียกว่าทำใจมณสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงนิโรธสัจจะอยู่ที่วางคิว้วจะรู้ความเป็นจริงในที่วางคิว้ว ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบาติเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเท่ากมาต่อสมาธิกันมาปัะชุมให้พร้อมพๆกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ได้รดเร็วเพราะความมาขึ้นเอาลุกเราก็ลุก เขายังไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิเดยยบทเมื่อเปลี่ยนอิเดยยบทแล้วทุกก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้เป็นานา น, า น, าน แล้วนั่งไปนั่งไปความโปวดเมื่อยเกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วทำมุสมาธิมุก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระพุทธเจ้า ให้มีปิติในพระธรรมเจา้าให้ปิติในพระสงฆ์เจา้าทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียนมิมันทำให้เบิกบานใจนั่นแหละท่านเรียกว่มามณสิการทำให้เจริญขึ้นจมาธิเรากลัมดความรู้ ละความเห็นเสียก่อนใช้มือขวาออกจากสมาธิใช้รูปไปที่หนักแข้งท ำ, ทำให้เห็นทําไม่เห็นทางความรู้อย่างนี้แหละทุกครั้งหนักเข้าก็จะมีท้งความรู้ก็จะมีทางความเห็น <c oughs> เอามือซ้ายออกวิธีเราก็ลากไปตามหน้าตักทำความรู้เห็นเราทีนีนมือซ้ายกว่าเราจับพวกเข่าไว้ทั้งคู่แล้วทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัดเนี<อ>่ยว่า มือเราวางไว้ที่หัวเข่าของสองข้างแล้วก็เจริญอนาปานลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ทาใจให้สบายๆ ย, ยกมือขึ้นสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาไว้ผนมไปที่หน้า อ, อก ทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างสร้างความแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นแล้วก็จะต้องเห็นก็ใแสไฟฟ้าของเรามันมีอยู่ี่ตัวแล้วเอามือพนมไว้ที่หัวอกเราควรจะกำหนดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญา ถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ปึกกับไว้เวลาเราจะยกมือขึ้นวางคิวแล้วกำหนดรู้เห็นที่พลาดไว้ที่วางคิวจะเห็นหรือไม่เห็นถู่เห็นแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้บ่อยขึ้นพยายาม ถ้าไ ม, ม่ไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหวต่อพทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆาเจ้าอยู่ที่ก า, ายใจที่หูตาจมูกลิ้นก า, ายใจภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิต นเนี่ยมันลุ่มลงอารมณ์ความโกรธความชังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทํากรรมฐานเนี่ยทํากรรมฐานนี้ให้โลกโกรธลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้เห็นขึ้นได้ มันหมดจะได้นี่มันไม่รู้ตัวหรอกแต่ให้เรามีเพียรมีมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิไปเนียเราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมของเราได้พยายาม ฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีมันขึ้นเพียรจันพลจึงเรียกว่าจิตนิวิตวิสังขารพระจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็เกิดมีกระจิตขึ้นจิตก็เป็นพระริเจ้าไวา้นี่จึงเรียกวิสังขารจิตนิวิสังขารก็กิเลสนาปัญญาอยากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคโทสะโมหะ ความลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นไงเพราะเรานี่ต้องฝึก <N> นะต้องฝึกหัดจะไปนึกว่าเราไม่ยังไม่แก่ไม่ไม่แก่กล <N> ้วินวิตสังขา ร, รก็ กิเลสนาปัญญายาตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องปึกขัดจะเป็ น, นึกว่าเราไม่ยังไม่ แกไม่ไม่แกกล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดเงินปฏิปสานสี่เนี่ยต้องจิตนิวิสังขารก็กิเลสนาปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนื้ออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะ ความลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่ไม่แก่กล้าหรอกอยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดเงินปฏิปรสานสิเนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำ นั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำนี่เขเรียกว่าปฏิปทานสี่ที่เราทำเนี่ยที่รารับสินข้อห้ามเนี่ยเป็นสินสิกขาแล้วมาสมโวมอินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสินสงวรที่ยากศรูธรรมธรรมวิเศษ ที่พระองค์นะเราให้กระทำความเพียรอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่ไม่ไ ม, ม, มแล้วต้องได้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชาติที่เรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่หละเป็นบุญของเราไม่ใช่น้อย นี่เรามาเจริญพระกรายวิดกุกให้รุ่งเรืองสุขใสขึ้นพระกรายวิดกุกของเราจะได้งดงามพระกรายวิดกุกก็หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระกรายวิดกุกอยู่ที่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ในหัวพุงหัวกระดาษาอยู่ที่กายใจเรานี่เอง เราผู้ตาไม่บอดจิตใจไม่ใบบากนี่พระกายพิดกของเรางดงามพระพระกายพิดกของเราสมบูรณ์อพระกายพิดกของเราอไม่วิบัติี่พระกายพิดกวิบัติยังไงล่ะตาบอดหูนวก จิตใจใบบานนั่นนะเขาว่าพระไกรวิดกวิบัติของเรานี่สมบูรีไม่มีบาบบาเสีย จ, จริตไรเราก็พยายามทำให้สติสมัญยะมีดีขึ้นทำเถอะทำความรู้ตัวก็เถอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าเป็นหมัวอย่างอื่นเลยเพราะเรา เราจะทำอะไรต่ออะไรก็ทำงานทางบ้านเรือนเราก็ทำสติสัมปัญญะความรู้ตัวฝึกขัดไปนี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำประกายวิโกให้นสมบูรณ์ขึ้นเขียนเขาเพียนให้มากกว่าอาจจะไปสำเร็จเมื่อตายอีกก็ได้ ขณะจะตายจะได้มกผลที่เราเคยพึกขัดเคยต้อนจิตให้เข้าพวังอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาเมื่อแตกดับก็ระลึกถึงอันนี้ได้ก็จิตนี้ก็มีอำนาจขึ้นมันก็สลัดกิเลสออกหลุดพ้นก็เป็นพระอริาไฟนักปฏิบัติเนี่ยได้พระอริจามาขณะตายเนี่ยมากบุญเนี่ยบุญอะไรไม่ เป็นยอดแห่งบุญก็นักปฏิบัติเนี่ย yeah, ถ้ามันสบายกายสบายใจโยมก็เป็นรู้ว่านี่ผิดมีสมาธิแล้วถ้ามีทุกข์ขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถทเสทอ็จสุขนี่มันจะเกิดขึ้นทีนี้โยมก็จะต้องจำไปทําอยู่ที่บ้านก็ทําขึ้นให้มากขึ้นแล้วความรู้เห็นใ ห, ใหม่ๆขึ้น เรายังไม่รู้ได้เราก็มาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำหรือต่อต่อธรรมะให้อีกนี่เพราะเรื่องก็เหมือนกันพวกท่านที่ไปเรียนหนังสือที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้ก็ค่อยๆรู้ค่อยๆคอย่ค อ, ยคอยเขียนค่อยอ่านก็จะกวางขวางขึ้น สามารถก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะสั่งสอบได้เพราะเราได้เรียนได้สมถภาวนาวิปัสสนากรรมนาภาวนานี้ก็ก็ครูบาอาจารย์แนะนาก็จะต้องรู้ต้องเห็นและครูบาอาจารย์นี้ก็จะแนะนำลูกศิษย์ต่อไปนี่ลูกศิษย์ก็มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอันนี้แหละก็ยังนา ธรรมะของพระองค์ให้รุ่งเรืองสุขใสก็ ไ, ได้แล้วก็ก็จะเกิดมากขึ้น <c oughs> ความวม่าน้อยลงไม่มีเท่ากับการผู้เห็นผู้ปฏิบัติพอได้ธรรมะแล้วการเลิกไม่มีการไม่พอเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มคนได้ธรรมะนี่ คนได้ธรรมะนี่ไม่อิมไม่เต็มเพราะมีความสุขมากซึ่งพระนิพพานจะรู้ว่าเราเป็นพระอริเจ้าแค่นั้นที่นี้เช่นว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกาตาแล้วเครื่องกายลักษณญาณก็จะเห็นทุกขังอนิจังอนัตตาปรากฏอยู่ไม่ขาดสาย ทีน่นี้พระสดานี้ก็ยังมีอารมณ์มีอารมณ์ในธรรมะที่พระองค์แนะนำทุกสัสอนไว้ได้ก็รู้ว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสิ้นแห่งถูกจริงๆพระโสดาก็รู้พระโสดาก็ไม่วไหวั่นไหวจึงเรียกว่าพระริมักก็คือแล้วองค์แรกอ่า ทุติยจ า, า, ารย์เนี่ก็สกิตรกอ์ก็เกิดขึ้นตติยจารย์ก็คืออนาคามีเง่งพึงจะได้ผูมของของอนาคามีก็เข้าอยู่ในตติยจารย์นี้แหละเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อมของพระอริเจา้าเข้าฌานออกฌาน ใกล้พระนิพพานเที่ยวเนี่แล้วพวกเราเราก็ต้องมีเพียรมีมันสิว่าเราก็มันจะเรามาเรียนให้รู้จักความตายแล้วมาเรียนให้รู้จักว่าความไม่ตายเป็นอย่างนี้นี่ยว่าเราจะไปถ้าฟกโซดาเนี่ยหรือซักกิจสาขาก็ตามหรือเราก็จะไปสู่อ่าในลูกศิ ของหมู่พระอริยเจ้าก็าอยู่ตรงนี้แหละถ้าอนาคามีก็ไปอยู่สุทาวาสนี่ไปะนิพพานมนโนนี่ตามตามที่ตำหนุกตําราที่เขาเขียนไว้นั้นแล้วไม่ผิดอ่ น, นี่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระอริยธนูจริงๆพระโสดาบันี่ท่านก็รู้จริงๆ จ, งจึงเรียกว่าเข้ากระแสพระนิพพาน น, นี่ ข้าพระนิกระพระนิพานคือนิพพานเนี่ยท่านละสั่งโยต์สั่งโยต์ความไม่ฆ่าตัดชีวิตไม่โกหกกลอกลวงไม่ผิดกรมมคุคซึ่งลูกเมียเรืฟภันรยานี่พระสดาทาไม่ได้ซึ่งเรียกว่าพระสดานี่ความละอายตบาพระสดานี่ รู้ว่ากรรมเป็นของตนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นของตนพระสุด า, าต้องสร้างความดีเป็นพระอริเจ้ากหา็หมดความคล่องหมดความคลองทางโลกก็มีจริยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า็นอารมณ์อย่างนี้อันมาที่มาแนะนาหรือสั่งสอนให้ฝึกสมาธินี่เพื่อจะให้เข้าไปรู้เอง อยากเข้าให้ไปเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วก็เดินมาถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีเรื่องถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีสถาพระสัทความเรื่องใจของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแต่พระธรรมคำสั่สอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ในเข้าในผ่านไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่สอนนี้พระองค์มาได้ไป ทิ้งไว้กับพวกเราเราลูกๆข้างหลังนี้แหละเพราะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ย่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยน่าสงสารน่าเสียดายว่าเกิดมาเกิดมาเสียนานแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ทับสมาธิให้เกิดขึ้นนี่ ถ้ามีสถามีศรัทธามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนไหวเป็นพระอริยได้นี่ <c oughs> <c oughs> พูดถึงเวะลาสั่งโยที่จะฟังงา่ายน่อยสังย่งโยน์ก็คือคนจะบ้านหนึ่งรับกระโหมมีมีนอกใจภรรยาสามาี ก, กันอยู่ เป็นหนึ่งนิดหนึงนิเขาเรียกว่านี่แหละกิเลสหมานกิเลสหมานมันเครื่องรอยรัตจิตใจของเราเนี่ยพวกเราที่นี้เมื่อเป็นพระสดาก็แล้วมีฮิริความละอายตบะตัวตบะ ก, ก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นได้ก็กลับใ จ, จไดเ้เนี่ยเช่นว่าโซฟินีเนี่ยได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์นี่พูดไ พ, พร่ พกชาว บ, บ้านเรียกว่าคนชั่วหรือกรีแร ง, งแต่พระองค์นี่พูดเหมาะสมที่เป็นพระองค์จริงๆเป็นผู้หมดจดแห่งสิ่งสมาธิปัญญาที่คุณเป็นผู้กว่าจานิพายเพราะงดงามมากเรียกว่าโสเภณีเป็นผู้งามเมือง คนหลาเรียกว่าเมียเช่านี่ที่นี้แต่พระองค์ว่าโซฟินีนี้เป็นผู้งามเมืองเป็นผู้แต่งตัวไว้ให้ให้ชายอื่นดูนี่พูดเพราะพระองค์นี้พูดเพราะจริงๆแล้วพยายามเราเราก็ต้องเรียนตามเรียนตามพระองค์ เมื่อเราทำตามพระองค์พูดตามพระองค์ทำให้เหมือนพระองค์อินทร์สังวรสวมรมระหวังความสงา่างดงามเราก็ทำสมหมังมเถอยแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นกรลังได้พอธรรมะเกิดได้พระสดาเ น, นี่ยเป็นเครื่องจ ส, สัมผัสกับเครื่องทิพทิพไนะ ได้จั้งสัมผัสได้ตั้งแต่อย่างไม่ตายนี่แหละ <Ừ. S 1> พออย่างนั้นจึงเรียกว่ากิเลสดับพระฤาษีเจ้าก็เกิดขึ้นนีเ่เพราะอันนี้ที่พูดที่ก็พูดมายกย่องในพระธรรมคําสงสอ น, อนแล้วก็ยกย่องทางจิตใจของพยงเพื่อเพื่อยกย่องเพื่อจะให้ธรรมะที่ ที่ในของญาติโยมที่ความไม่โลภไม่โกรธก็มีอยู่เพื่อจะให้ตื่นขึ้นมามือมือทำมือสถานมีความตื่นขึ้นมาแล้วทำที่ไม่ดีไม่ชอบก็ดับไปทำที่เจริญขึ้นมาที่คำสอนว่าพระพระผู้เป็นเจา้าเป็นผู้เจริญเนี่ย ก็ได้กัพวกเรามาเจริญธรรมะนี่แหละธรรมะก็เกิดขึ้นกับพวกเราทีนี้ดูที่โยบผบยมมามาบทเนี่ยมาบทกันแล้วมาบทกันอีกอยังนี้ที่ขึ้นจะเรียกว่าเป็นผู้จะได้เข้าใขา่เข้าใข่คำสอนของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นผูม้มีมาหากรุณากรวกรามากที่คำสอนอยากให้เราบรรทุทุกมุติกาขอให้เราทำความดีให้มากขึ้นนี่เพราะเราก็ทำความดีมากแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นไปได้เรื่องกระแสของพระริเจ้ า, านี่ต้องรู้ท่านอุปมาเหมือนเหมือนที่ บุรุษที่โจรขับไล่ฝันมาวิ่งหนีมาโจรก็ขับไล่ฝันทีนี้วิ่งเข้าถึงทะเลแลความกลัวโจรมากก็เลยหลงในทะเลก็ไหวเลยไหวเพื่อใจคนโจรทีนี้มืบเมือ่อไหวไปแล้วในยามกลางคืนมืด เหนื่อยเหน็ดมากว่ายกว่ายข้ามในทะเ ล, ละก็เหนื่อยมากที่นี่ศพนั้นลอยน้ามาลอยน้ามาผู้นั้นในกลางคนนืนนั้นไม่เห็นก็นึกว่าขอนไม้ขอนไม้ก็เกาะเกาะศพนั้นไปเกาะศพนั้นก็ได้ศพนั้นแหละที่อยากถึงฟังกระโนนได้นี่ พอนำทะเลลุกคลื่นเนี่ยตีตีซากศพให้ขึ้นตลิงอยู่เสมอผงเล็กผงน้อยก็ต้องซับให้ขึ้นตลิงในทะเลนี้จึงจะสะอาดได้เ<ม>นี่ยชันใดก็เกาะเกาะศพมาเรื่อยเรื่อยรื่อยที่นี่ก็ตะวันก็จวนจะสว่างแล้วที่นี่ก็ พึงไวเ้เห็นศพเห็นศพตัววันขึ้นแล้วก็บุรุษนั่นก็ละศพไม่ได้ถ้าละศพไปต้องตายเพราะคลื่นทะเลมันใหญ่ทีนี้ก็ใส่ศพนั่นแหละเกาะศพมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อ ย, อยทะเลก็ซัดน้ำก็ซัดเข้าถึงชายจะลิงได้ ชายนั้นบารุสรัตบุรุษนั้นก็เห็นซากศพก็มีทั้งทั้งเปลียดทั้งน่ากลัวทั้งอะไรก็พะเกาะพะตีนอย่างดินได้ข้ามฝาะนดาก็ผลักศพผลักศพให้หลอยเจา้านำชายนั้นก็ชำระตัวก็เดินขึ้นตลิงไปน mm hmm. ี่ ทันได้ความเปรียกเทียบนี่เนะมื่อตะวันขึ้นแล้วสว่างแล้วก็พระโซดานั่นแหละเป็นผู้เห็นภัยในเป็นผู้เห็นภัยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนกได้กอดซากศพเหล่านี้นะ่ะกินซากศพอยู่ทุกวัน อยู่กับซากศพอยู่ทุกวันเรานึกว่ามันไม่เห็นจากศกที่ตัวเราของเราเราจึงพอจอยู่ในสภาวะสิ่งเหานี้เข <c oughs> าหากว่าเท่าผู้นักปฏิบัติได้อสุภกรรมฐานนั่นแหละจึงจะรู้วความอุปมาอุปไ ม, ใ, มในข้อใน ก็จะรู้ได้เห็นได้เมื่อรู้ได้เห็นได้แหละโยมก็จิงว่าสั่งโยต์เริ่มนี้โลกกดลงสาบนี้มันก็จะดับไปนี่ผู้นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าโซดาปฏิมักโสดาปฏิพนก็จะเกิดมีก็บพวกรวเราเราขอให้รักษาสิน้นเลยเถอะโยมทุกคนรักษาสิ้นห้าว้เหมอกพระคนของพวกญาติโยม หกสิแปดเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกจากโลกนี่ที่ออกจากโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้กลายจากกิเลสเราแมา้สิ่งเราจะมาอยู่กันด้วยกันยู่ในส ล, สลารงธรรมที่โราที่นี่ที่เรามาเป็นชายเป็นหญิง ก, ก็ตามที่เรามาหนองก็อยู่ในสลารงธรรมอันนี้ก็ไม่ได้นึกอะไรกันเลยนั่นแหละ ธรรมะของพระอริยเจ้าก็เป็นแบบชนิดนี้แหละอยู่กันได้กิเลสตัณหามไม่มีถือว่าเรามารักษาสิ้นข้อห้ามอัปรรมัจริยาเว ร, รมนีเราซึ่งเว้นการมัขุมเ้วยกันทั้งหมดแล้วทีนี้มืเมือจะถึงแดนของพระอรหันต์แล้วอาชายก็ไม่มียิ่งก็ไม่มีและนั่นคือพระอรหันต์ อยู่ไม่กลยอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราหมดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เลยว่าเราสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยขอให้เราตั้งใจตั้งใจไว้ให้มากเถอะอ่ามันจะได้ไม่เติไม่ตายแล้วไม่ตายอีกนะเนี่ยเราจะได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้า เป็นผู้พระองค์เป็นผู้นิพานไปแล้วนิพานนี้ไม่ใช่ว่าหมดตัวหมดตนนะมันหมดกิเลสนะแล้วก็นิพานเนี่ยเป็นพระอริเจ้าเนี่ยอายตนะนั่นยังมีอยู่พิสุขนี่พระองค์กล่าวอย่างนี้นิพานนั้นน่ะอายตนะนั่นยังมีอยู่นี่ อายตนะก็คือไรและหูตาจมูกดินกายใจของเรานี่แหละว่ามันจะทำนี่มันหมดกิเลสนี่มันก็เลิกแก่เลิกเจ็บเลิกตายกึนทันทีจึงพระองค์นี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้คนพบปะผู้เดียวแล้วก็มาแพร่ลายให้กับพวกเราทั้งหลายนี่ ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายถ้ามกักทำกันอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะไปสู่อย่างน้อยๆก็เทวโลกสมบัติเราก็จะไปอยู่โน่นแหละทีนี้มือพระองค์เนี่ยเมื่อเราไปอยู่โน่นนะไปอยู่กับพระองค์เลยไปอยู่กับเทวโลกสมบัติพอาวางศาสนาห้าพันปีนี่ก็พระองค์ความอัศจรรย์ของพก หมู่เทพเทวดามีบุญมากพระองค์ก็จะรวมพระธาตุประชุมธาตุขึ้นอีกเป็นเป็นหมีเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเป็นธรรมะสร้างซ่อนพกเทวดาได้เหมือนอย่างพระองค์ที่อยู่ในที่นิพพานไปแล้วพกเทวดานี้จะได้ฝังธรรมอีกก็จะบรรลุ ธรรมะพระโสดาสกิตาคานาคาพระอริเจ้าเป็นเป็น ล, ลานเป็นโกดโกดอเอวังทีเดียวนี่ยะขอให้พวกเราในตั้งใจมันยังไม่หมดกิเลสคัดแระหันก็แค่สินหาเราก็ทำชื่นชมยินดีให้มากเราจะได้ไปสู่เทวโลกสมบัติจะได้ไปอยู่ลุกสิลุกสิ พระหัชั้นเทวโลกชั้นสี่บรลมโพธิสัตว์ก็อยู่นั่นทางนั้นพระสีอานก็อยู่นั่นทางนั้นเราไม่ต้องให้พระสีอานมาโปรดเราขึ้นไปหาท่านเลยดีกว่ายางไงจึงจะเรียกว่ามีมนุษย์ใจสูงพวกเราอย่างกับพวกเรล่านี้ก็แต่งตัวไปสวรรค์แต่งตัวไปพระนิพพาน ทั้ง้นนะอันนี้ก็อาตมาก็กระของยุติแห่งเท่านี้เอวันก็มีขอจงให้มีดวงตาสุดทั้งคำสังซองของพระมารุปุเจ้าจงเจริญเจริญมัตสีสุกดศสีพระในผ่านหนึ่งจิตใจเป็นหนึ่งเดีนี้แหละ จะถึงซึ่งภายนผ่าน ม, านรรมันเวียนมันทาให้มากขึ้นจงทำมันเนี่ยเราก็ฝึกขัดเถอะไม่เป็นไรหรอกดีเรามาฝึกขัดนี่แหละถึงว่าสมลมอีกสีคือรักษาผู้ตาไว้ดีแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกระญาติโยมทุกทุกคนใครสนใจมากคนนั้นก็จะ ก็จะรู้ได้สิอินทรีสงวนก็เกิดขึ้นแล้วปัญญอินทรีย์ก็จะมีขึ้นปัญญาก็ะจะเกิดขึ้นมันก็จะห้าหันกิเลสได้พระโต้พระโต้นี่ก็มาการหําหันกิเลสนะอแต่มากขอลายโยมนะก็มีความสุขความเจริญ มีดวงตาเห็นม